อันหาอาสวะไม่ได้คืออันหากิเลส ท, ที่หมักดองในใจไม่ได้เลยเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันนี้เข้าถึงอยู่ได้อย่างไดแม้กัสปะก็ทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันชาตินี้เข้าถึงอย่างนั้นได้เหมือนกันนี่พระมหากัสปะมีคุณธรร ทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญยกย่องต่อหน้าพระภิกษุแต่พระอนุนเนี่ยไม่ได้มีคุณธรรมอย่างนี้พระมหากรรณาธจึงถามนะว่าว่าพระอนุนเนี่ยมีคุณธรรมอย่างนี้หรือเปล่าพระอนุนก็ตอบไปทุกทุกครั้งเลยตั้งแต่ชาญหนึ่งชาญสองถึงถึงอรุปชาญสี่ จนกระทั่งอภิญยาหและก็เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยคือการได้อรหัตมรรคอรหัตผลเนี่ยพระนลตอบว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่ท่านผู้เจริญคือไม่ได้รับการยกย่องเลยเพราะฉะนั้นพระมหาคสปะจึงบอกว่าดูก่อนผู้มีอายุนะเราเนี่ยเราเองถูกนำเข้าไปเปรียบในหมู่ภิกษุเฉพา ะ, ระ พ, พระพักพระมีพระภาคเจ้านะอย่างที่บอกแล้วนะ เพราะนั้นพระมหากัสสปะจึงกล่าวในข้อสุดท้ายว่าดูก่อนผู้มีอายุผู้ใดสำคัญเราว่าควรปกปิดได้ด้วยอภินยาหกผู้นั้นก็ควรสำคัญช้างเจ็ดอกหรือเจ็ดอกครึ่งว่าจะพึงปกปิดด้วยใบายตาลได้อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคือหมายความว่า เคุณธรรมของพระมหากัะสปะนี่ไม่มีใครหรอกที่จะมาปกปิดไว้ได้เป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่เสเบิดด้วยช้างนะช้างนี่ตัวใหญ่ตั้งตัวสูงตั้งเจ็ดสองคลื่นเอาใบาตาลไปปิดไม่ได้ในของของสุภาษิตไทยว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดอันนี้หมายความว่าทําชั่วแล้วเอาอะไรไปปิดเนีไม่ได้นี่ความดีของท่าน คุณธรรมความดีของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่อย่างไาเนี่ยใครปกปิดไม่ได้หรอกเพราะพระพุทธเจ้าได้ประกาศไว้แล้วและเป็นจริงก็แล่ภิกษุณีชื่อทุลละติดสาเคลื่อนจากพรหมจรรย์เสร็จแล้วคือศึกไปเลยหลังจากที่ได้ตำหนิติเตียนพระมหากัสปะโดยที่ไม่รู้คุณธรรมทีนี้ที่พระมหากรสป ะ, ะกล่าวกล่าว กล่าวไว้ก่อนนะว่ามูของท่านคือบริวารของพระอนุนยาเข้าไปสอดเห็นให้เกินไปนักอันนี้ก็หมายความว่าภิกษุสงฆ์ยาเข้าไปสอดเห็นข้อนั้นให้เกินไปในในโอกาสอธิบายว่าอยาสำคัญข้อนั้นอย่างนี้ว่าพระอนุ์ไม่ห้ามสาวก ผู้มีส่วนเปรียบด้วยพุทธเจ้าห้ามแต่ภิกษุณีฝ่ายเดียวความคุ้นเคยหรือความเย่อหย่ของสาวกกับภิกษุณีนั้นจักมีได้อย่างเดียวคือพระมหากรสป่กล่าวพระพาณ น, นวายาอย่ า, อ ย, าอย่าไปห้ามพวกภิกษุณีอย่างเดียวนะว่าเป็นคนโง่แม้ภิกษุสงฆ์ที่เป็นปบริวารของพระอา น, นุก์ก็เช่นกัน บางคนก็ไม่รู้คุณของพระมหากัรสปะอย่าไปเห็นอย่างอย่าไปเห็นตามภิกษุณีทุลละติดสานัด น, นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนเป็นพวกนางภิกษุณีก็จะคิดประทุษรายโกรธตามไปด้วยเพราะฉะนั้นท่านพระมหากัรสปะจึงกล่าวเตือนว่าหมู่ของท่านอย่าเข้าไปสอดเห็นให้เกินไปนักอันนี้ก็ เ, เป็นการเตือนไว้ว่า พระนรนยอย่าห้ามแต่ภิกษุณีอย่างเดียวนะอย่าอย่าพูดอย่างนี้แม้แต่พระภิกษุก็เช่นกันมิชนันแล้วก็จะทำให้ความคุ้นเคยความเยื่อให่ระหว่างพระที่เป็นสาวกของที่เป็นบริวารของพรนนนะนริจะปเป็นพวกเดียวกับนางภิกษุณีเป็นอย่างนั้นทีนี้ท่านอธิบายเรื่องช้างนะช้างเจ็ดศอกหรือว่าแปดศอกครึง่งตั้งแต่เท้าหน้าจนถึงกับพองสูงเจ็ดศอกคืบ สูงเจดศอกคืบเท้าหน้าไปถึงกระพองตรงๆงหัวเนี่ยนะสูงเจ็ดศอกคืบคือช่างใหญ่แล้วก็จะไปปกติดปกปิดด้วยใบายตานนะเป็นไปไม่ได้หรือเหมือนกับว่านางภิกษุณีเนี่ยที่มาตำหนิติเตียนพระมาหากัสปะเหมือนกับเอาใบาตานจะมาปิดมาปิดคุณของพระมาหากรสปะว่า คุณของพระมหากัสสาปนี้ไม่เทียบเท่าพระอานอนท์หรอกก็เป็นไปไม่ได้ใบตาลจะเป็นบิดช้างใหญ่อย่างนั้นได้อย่างไรเหมือนการคําของนางภิกษุณีทุลลติดสาจะไปปกปิดจะไปทําลายความมีคุณธรรมอันสูงของพระมหากัะสาปานั้นไม่ได้เลยนะพระมหากระสาก็อนุเคราะห์ภิกษุณีอื่นๆและก็พระภิกษุด้วยว่าเดี๋ยวจะไปเห็นตามเขา ก็เมื land, ่อพระมหากษัตริย์เมื่อเมื่อนางทุลระติดสาได้ได้ได้กล่าวว่ากล่าวร้ายก่อพระมหากษัตริยแล้วก็ได้เคลื่อนไปจากพรหมจรรย์คือลาศิกขาไปไม่ได้ไม่ตายนะยังไม่ไม่ได้ตายหรอกแต่ว่าพ้นไปจากเพศของภิกษุณีก็เมื่อพระมหากัสริยเถระบรรลือศีหานาถคือกล่าวเหมือนกับลือีเหมือนกับราชศรีคําราม คือกล่าวโดยไม่หวั่นไหวว่านี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงยกจ้องท่านไว้อย่างนี้อย่างนี้ด้วยอภินยาหกอยู่ผ้าย้อมน้ำฝาดของภิกษุณีนั้นเริ่มละคายเริ่มร้อนเริ่มละลายที่ร่างกายเหมือนเรลียวหนามภิกษุณีทูลลติสานะเพราะกล่าวร้ายสาวกผู้มีส่วนเปรียบด้วยพระพุทธเจ้าความพอใจเกิดขึ้น ในขณะเปลื้องผ้าเหล่านั้นออกนุ่งผ้าขาวดังนี้คือพูดง่ายๆว่าผ้าเหลืองของนางภิกษุณีนะั้นร้อนอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องถอดออกแล้วก็เอาผ้าขาวมานุ่งนะลาสิกขาไปเพราะว่าพอรู้คุณของพระมหาการสปะว่าพระพุทธเจ้ายกย่องว่าพระมหาการสปะมีคุณคล้ายพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะมีคุณเสมอพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ลุ่มร้อนใจอย่างยิ่งเลยโทสะที่ตัวเองกระทาไปเกิดความ เดือดร้อนใจอย่างมากก็ผาเหลืองร้อนภาษาของเราก็เรียกว่าผาเหลืองร้อนนั่นแหละเหมือนว่าพระเขาจะศึกแล้วก็บอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วผาเหลืองร้อนจริงๆผาเหลืองไม่ได้ร้อนหรอกนะผาเหลืองเนี่ยเย็นแต่ว่าไอ้โทสะหรือโทมนัสความเสียใจมันร้อ น, ร, อนร้อนใจแล้วธาตุไฟมันก็กำเริบมันก็เลยเหงื่อออกธาตุไฟในร่างกายนะเพราะฉะนั้นจึงต้องสึกไปนี่เป็น เรื่องของพระมหากัสปะพิขุณูปัสยะนะิคุณูปัสยะสูตรนี่ก็เป็นเรื่องของนางภิกษุณีที่เป็นคนพาลไม่รู้คุณของพระมหากัสปะต่อไปมีอีกเรื่องหนึ่งจีวรสูตรว่าด้วยภิกษุสัตวิหาริกนะภิกษุผู้เป็น บริวารของพระอนนส์30รูปปลาสิกขาตะกี้พระภิกษุณีรูปหนึ่งท่ น, นี้30สบรูปเลยมีเรื่องว่าสมัยหนึ่งท่านพระมหากัสปะอยู่ณนะพระเวรุวันกลันทกะนิวาปสสถานกรุงราชครืนี่เป็นวัดแรกในาศาสนาพุทธในสมัยนั้นท่านพระอนุ์เที่ยวจาริกไปในทักคินาขีรีชนนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผู้เป็นสัตว์วิหาริกของท่านประมาณ30สรูปโดยมากยังเป็นเด็กหนุ่มพากัลาศิกขาเวียนมาเพื่อความเป็นฮีนเพศฮีนเพศนี้เพศอันต่ําก็คือเพศของคฤหัดเพราะว่าที่ว่าต่ําเพราะว่ามันยุ่งอยู่กับเรื่องของกาลกาล ม, มาตหาและกาล ม, มาคุณมันมีแต่ความวิตกกังวลไม่ได้มีความปลอดโปร่งใจครั้งนั้นท่านพระอานุนเที่ยวจาริกไป ตามชอบใจในทักษินาขี่รีชนมบทแล้วกลับไปสู่พระเวลุวันกรุงราชเชคฤึกเข้าไปหาท่านพระมหากัะสปะถึงที่อยู่คัดเข้าไปหาแล้วไหว้พระมหากระสปะนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อท่านพระอนอนท์นั่งเรียบร้อยแล้วท่านพระมหากระสปะได้กล่าวปราศัยกับท่านพระอนอนท์ว่ า, อ, านอนนท์ผู้มีอายุ พระมีพระภาคเจ้าทรงอาศัยอํานาจประโยชน์เท่าไรหนอจึงทรงบัญญัติการขบฉันถึงสามหมวดในตระกูลเข้าไว้ผู้เจ้าบัญญัติเรื่องการเข้าไปในตระกูลเนี่ยว่าพระภิกษุจะต้องขบฉันอย่างไรเนี่ยท่านพระมหา ก, กัตริ์ก็ถามว่าเพื่อประโยชน์อะไรเพราะว่าการแสดงวินัยของุู้เจ้าก็ดีเนี่ยจะต้องมุ่งประโยชน์ไม่ใช่แสดงโดยหาประโยชน์สาระไม่ได้ ท่านพระนนจร์จึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านกัสปะผู้เจริญและผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยอำนาจประโยชน์3ข้อจึงได้สนบัญญัติการขบฉันถึงสหมวดในตระกูลเข้าไว้คือในตระกูลเนี่ยคือในในบ้านคนนั่นะคือเพื่อข่มคนหน้าด้านหนึ่งเพื่อให้ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักอยู่เป็นสุขสองและเพื่ออนุเคราะ สกูลโดยเหตุที่พวกมีความปรารถนาลามกอาศัยสมัครพักพวกแล้วจะพึงทำสงให้แตกกันไม่ได้นะก็เพื่ออนุเคราะห์ชาวบ้านด้วยหมายความว่ า, าพวกพระภิกษุสงฆ์ที่มีความปรารถนาชั่วเนี่ยคือไม่มีคุณธรร ม, ไ ม, มไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีอริยธรรมแล้วจะพาพักพวกเนี่ย ไปทําให้สงแตกกันเนี่ยไม่ได้นะต้องบัญญัติวินัยอันนี้ไว้พระพยินภาคเจ้าทรงอาศัยอำนาจประโยชน์3ข้อเหล่านี้แลจึงทรงบัญญัติการขบฉันถึงสามหมวดในตระกูลเข้าไว้พระมหาคสปะถามต่อว่าอาโน์ผู้มีอายุเมื่อเป็นเช่นนี้เธอเที่ยวไปกับภิกษุเหล่านี้ภิกษุเหล่านี้คือภิกษุที่สึกไปสามรูปผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลาย อัยทวาร น, นี่คือประตูประตูแล้วมันก็มีอินทรีย์ซะด้วยสิประตูนี้อินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในการเห็นนะคือจักขุวิ ญ, ญญาณมันก็อยู่ตรงประสาตตาเนี่ยแล้วก็จกักขุนรีนะจกักขุนซีเนี่ยอันนี้หมายถึงจักขุวิญญาณหรือว่าโสตินรียเป็นใหญ่ในการฟังอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยการได้เห็นได้ฟังได้ดมได้ลิ้มรสได้สัมผัสได้รู้อารมณ์ทางใจเนี่ย ถ้าไม่คุ้มครองแล้วไม่ได้นะแต่ว่าพร ะ, พระอานนท์เดินเที่ยวไปคือไปร่วมกับภิกษุเหล่านั้นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอย่างที่หนึ่งแล้วก็ไม่รู้ประมาณในโภชนะคือในอาหารคือกินอาหารเนี่ยกินมากปกติสี่ห้าคาจะอิ่มแล้วต้องหยุดแล้วดื่มน้านี่ไม่ใช่อย่างนั้นกินไม่ไม่บรญยบัญญาตกินเต็มที่เลยนะกินจนเกินประมาณแบบที่เรียกว่า อ้อวกออกมาได้อะนะกินกินจนล้นกระเพาะล้นคอหอยออกมาไม่ประกอบความเพียรด้วยนะเพื่อประโยชน์อะไรเล่าที่เที่ยวไปกับภิกษุเหล่านั้นเธอมัวแต่จาริกไปเหยียบกลเหยียบย่ำข้าวกล้ามัวแต่จาริกไปเบียดเบียนตระกูลเบียดเบียนตระกูลเนี่ยคือว่าใครวันเนี่ยพาเข้าไปทําให้ชาวบ้านต้องมาต้อนรับต้องมาถวายทานถวายอาหารนะแล้วก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไร อาโนนผู้มีอายุบริษัทของเธอย่อมลุยหลุดไปสัตว์ที่มิหาริของเธอซึ่งโดยมากเป็นผู้ใหม่ย่อมแตกกระจายไปเธอนี้ยังเป็นเด็กไม่รู้จักประมาณพระพระมาการสปะก็กล่าวอย่างนี้นะคือไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้จักที่ควรไม่ควรน่ะท่านพระนนท์กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญบนศรีรษะของกับผมผมหงอกแล้วไม่ใช่หรือพระนนท์ก็บอกว่าท่านเนี่ยศรีรษะ คือผมเนี่ยออกแล้วถึงอย่างนั้นพวกกระผมก็ยังไม่พ้นจากท่านพระมหากัสปะว่าเป็นเด็กขนาดศรีรษะออกแล้วเนี่ยผมออกแล้วพระรัากสปะก็ยังกล่าวว่าเป็นเด็กพระรักสปะกล่าวว่าก็เป็นจริงอย่างนั้นอานน์ผู้มีอายุเธอยังไปเที่ยวกับภิกษุใหม่ๆเหล่านี้ผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในอาหารไม่ประกอบความเพียร เธอมัวแต่จาริกไปเหยียบย่าข้าวกล้ามัวแต่จาริกไปเบียดเบียนตระกูลอานนท์ผู้มีอายุบริษัทของเธอย่อมลุยหลุดไปสัตว์วิหาริกของเธอซึ่งโดยมากเป็นผู้ใหม่ย่อมแตกกระจายไปเธอนี่ยังเป็นเด็กไม่รู้จักประมาณคืออายุเนี่ยไม่สาคัญนะยิ่งแกยิ่งเป็นเด็กเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิเลสมันยังเป็นเด็กอยู่ ไอเรามีราคะเนี่ยเรายังวิ่ล่อได้กากๆอยู่นะมีโทสะยังโกรธได้ก็เหมือนเด็กแต่คุณธรรมต่างหากสําคัญถึงเป็นเด็กถ้าว่าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็เป็นเถระเป็นผู้ใหญ่เพราะอะไรลนะ่ะผู้ใหญ่เนี่ยใหญ่ด้วยคุณธรรมไม่มีกิเลสซึ่งเด็กเขามีกันคือปุถุชนปุรุชนทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นเด็กนะ ที่จะเป็นผู้ใหญ่โดยบริบูรณ์ก็คือเป็นพระาราหันเพราะไม่กิเลสเครื่องที่จะทําความยินดีเพลินเพลินไปในอาหารไปในการเที่ยวดูเที่ยวเล่นเหมือนกับภิกษุ30รูปเหล่านั้นะถือว่าเป็นเด็กเพราะว่าชอบกินอาหารไม่ประกอบความเพียรไม่สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันเหมือนกับเด็กทั่วๆวไปกินแล้วก็เล่นเล่นแล้วก็เดี๋ยวนอนเดี๋ยวก็มากินใหม่ สนุกสนานเ พ, นเพน<ๆ>ลิดเพลินามาดูวัยรุ่นเราดูวัยรุ่นได้ไม่ไปต้องวัยรุ่นนะวัยแก่ก็มีก็ว้แก่ก็ก็เล่นแบบแก่หรือบางทีก็เหมือนเด็กมีการร้องราทำเพลงมีการโกรธการเงาการงอนการทำอะไรเหมือนเด็กเพราะมันกิเลสตัวเดียวกันมันไม่ใช่คนละตัวเด็กมีโลภโทสะมีอิจฉาริษยามีตนี ผู้ใหญ่ผมออกแล้วก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นท่านพระมาหกากระสปะจึงกล่าวอย่างนั้นแหละว่าพิพกว่าถ้านนยังเป็นเด็กอยู่เพราะไปร่วมกับเด็กนะของเราว่าไงครับครบเด็กสร้างบ้านครบหัวล้านสร้างเมืองว่าอย่างนั้นถ้าไปครบร่วมก็จะเสียเด็กเสียคนไปพิกษุณีทุลละนันทาทุลละนี่ก็อ้วนเหมือนกันนะันันทาอ้วนนะได้ยินแล้วคิดว่า ทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าอานนท์ผู้เป็นมุนีเปลี่ยงปราดถูกพระผู้เป็นเจ้ามาหากัสปะลุกลานด้วยวาทะว่าเป็นเด็กก็ไม่พอใจโกรธแทนว่ากันง่ายๆนะนะคือเอกามโกรธเนี่ยมันมีเหตุว่าถ้าใครเขามาว่าคนที่เรารักแล้วเราก็ต้องโกรธนะหรือใครเขามาชมคนที่เราเกลียดเนเราก็ต้องโกรธมันเป็นอย่างนั้น ะนั้นจึงเปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจว่าอะไรเล่าพระผู้เป็นเจ้ามหากัสปะผู้เคยเป็นอัญญะดีรถีเนี่ยบอกด้วยเนี่ยเป็นคนนอกาศาสนามาก่อนจึงสำคัญพระคุณเจ้าอานน์ผู้เป็นมุนีเปลืองปราดว่าตนควรลุกรานด้วยวาทะว่าเป็นเด็กเนี่ยก็เหมือนคล้ายกันว่าทำไมไ ป, ไปว่าพระอาณนต์ซึ่งเป็นมุนีเปลืองปราดว่าเป็นเด็ก ทำไมไปคิดอย่างนั้นไม่สมควรเลยถ้าพระพากัสปะได้ยินภิกษุณีทุลันันทากล่าววาจานี้แล้วจึงกล่าวกับพระอนนท์ว่าอานนท์ผู้มีอายุภิกษุณีทุละนันทายังไม่ทันพิจนาก็กล่าวาาาวาจาพร้อยพรในกล่าววาจาพร้อยๆคือไม่ได้คิดพิจนาเลยพูดไปเลยเพราะเราเองปรงผมและหนวด น, นุ่งหมผ้ากาสาวพั อันนี้ไม่ได้ไหมายความว่าท่านพระบัคกสบะโกรธตอบนะไม่ใช่เพียงจะกล่าวตามความเป็นจริงว่าไม่ได้พิจารณาจริงกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านก็กล่าวเลยว่าเดี๋ยวจะคนอื่นจะเข้าใจผิดอีกจะไปคิดว่าท่านเป็นอัญยะเดีถีนะเราเองเนี่ยปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่เคยนึกเลยว่า เ, เราบวชอุทิศ ศาสดาอื่นนอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นไม่เคยมีศาสดาอื่นเพราะว่าอัญญาเดียถีก็ย่อมมีศาสดาของเขาเช่นปุรณะกัตสปะมัคคิริโคสารปากุฏะกัจจายณนะอย่างนี้นะหรือวันทีโคนนาตบุตรแต่ท่านไม่เคยท่ ทั้งก่อนเมื่อเรายังเป็นคฤรือหัดเคยคิดว่าคารวาะช่างคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีคือมันเป็นทางแห่งราคะโทสะโมหะไม่มีสิ้นสุดและมันคับแคบคือว่ามันกังวลไปด้วยเรื่องที่จะต้องบริหารทรัพสมบัติต่างๆเหมือนกับ น, นายกเนี่ยแหละนะเรื่องทุกเรื่องเนี่ยไม่มีที่จะไม่ แ, แก้ปัญหาเลยไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจึงเห็นว่า คราวาาคับแคบเป็นทางมาแห่งธุรีบรรพชาปลอดโปร่งการออกบวชเสียละการมาคุณเสียเนี่ยปลอดโปร่งคือหมดขัางวนสบายทั้งกายทั้งใจผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติปรมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยส่วนเดียวประดุดสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายนักเป็นคฤหอสั์แล้วจะมาประพฤติให้เป็นพระหันโดยเร็วไม่ใช่ของง่าย ทางที่ดีเราควรปรงผมแล่นหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตสมัยต่อมาเราทําผ้าสังฆติแห่งผ้าที่เก่าเอาผ้าเก่าด้วยมเวลาบวชไม่เอาผ้าใหม่แล้วผ้าเก่าด้วยปรงผมแล่นหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเฉพาะท่านผู้เป็นพระหัน์ในโลกคือตั้งใจเลยว่าบวชเนี่ยเพื่อจะปฏิบัติ ตามพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสที่มีในโลกเมื่อเมื่อบวชแล้วยังเดินไปสิ้นระยะทางไกลได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าระหว่างเมืองราชฤท์กับบ้านนาลันทคามกําลังประทับนั่งอยู่นะพระหุปุตตะเทดีพอพบเข้าแล้วก็รำพึงอยู่ว่าพอพบเนี่ยรู้เลยเพราะว่าอ่าฉพันธ์นรังสีที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งออกเนี่ยทําให้รู้ได้ว่า เราพบพระศาสดาก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเราพบพระสุคตพระสุคตผู้ไปดีแล้วก็คือชื่อของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเราพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยผู้มีอายุอันนี้คือพระนนท์นะเหล่านั้นจึงซบเสียงก้าวลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าณที่นั้นเองได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้า <sugg> แต่พระองค์ผู้เจริญพระมิธรภาคเจ้าเป็นาศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกข้า <c oughs> แต่พระองค์ผู้เจริญพระมิตรภาคเจ้าเป็นาศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกดังนีพ้พอพอพบผู้เจ้าแล้วก็มอบชีวิตให้เลยว่าผู้เจ้าเนี่ยคือาศาสดาคืออาจารย์ของท่านเลยแล้วท่านเนี่ยยอมตนเป็นสาวกเลยโดยที่พผู้เจ้าไม่ได้เรียกร้องนะไม่ได้เรียกร้องให้มาเป็นสาวกแต่ท่านรู้ด้วย ด้วยปัญญาของท่านเมื่อเรากราบทูลอย่างนี้แล้วพระมีภาคเจ้าตัดกับเราว่าดูก่อนกัสปะผู้ใดเล่ายังไม่ทราบชัดถึงสาวกผู้ประมวลมาด้วยจิตทั้งหมดอย่างนี้แล้วจะพึงพูดว่ารู้ยังไม่เห็นเลยจะพึงพูดว่าเห็นศรีรษะของบุคคลนั้นพึงแตกดูก่อนกัสปะแต่เรารู้อยู่จึงพูดว่ารู้ เห็นอยู่จึงพูดไปเห็นเพราะเหตุนั้นนั่นแหละกัสปะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าก็หมายความอย่างนี้นะคำที่พุทธเจ้าตัดเนี่ยผู้ใดเนี่ยที่ไม่ที่ไม่ไม่ได้ทราบไม่มีปัญญาพิจารณามารู้ถึงคุณของพระหมหากัสปะในขณะนั้นนั่นนะที่ มอบมอบดวงจิตมอบชีวิตทั้งหมดเป็นสาวกผู้เดเจ้าและจะมาพูดว่ารู้และไม่เห็นและจะพูดว่าเห็นนะถ้ามาโกหกอย่างนี้ศีรษะแตกแน่แต่ว่าพู้เดยเจ้าเนรู้รู้จิตของพระมาหากัสปะรู้ความคิดของพระมาหากัสปะแล้วเพราะฉะนั้นพระมาหากัสปะอ่อพระผู้มีพระเจ้าจึงให้โอวาทเลยคําว่าเธอพึงศึกษาอย่างนี้นะว่าคือให้โอวาทเป็นการให้บวช ด, ด้วยว่า เราจะเข้าไปตั้งฮิริโอตปะอย่างแรงกล้าในภิกษุในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระผู้นวิกะผู้มัชชิมะหมายความจะตั้งความเคารพยำเกรงแก่ภิกษุทั้งหมดแล้วก็เช่นการภิกษุเหล่านั้นเมื่อพระมาหากสัตริะทำความเคารพภิกษุนั้นก็จะทำความเคารพตอบต่อพระมาหากษัสริด้วยนี่เป็นข้อปฏิบัติข้อหนึ่ง ข้อที่สองเราจักฟังธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกุศลคือประกอบด้วยประโยชน์ที่จะนำไปสู่ความสิ้นกิเลสจักกระทำธรรมนั้นทั้งหมดให้เกิดประโยชน์ใส่ใจถึงธรรมนั้นทั้งหมดจักประมวลมาด้วยจิตทั้งหมดประมวลมาด้วยจิตทั้งหมดคือรวบรวมจิตทั้งหมดเนี่ยมาตั้งใจฟังไม่เอาจิตคิดไปเรื่องอื่นเงียโสดสดับพระธรรมอันนี้เป็นเป็นคุณธรรมของ พระมหากัตสปะที่ที่ยิ่งใหญ่มากนะคือคือหมายความว่าเวลาได้ยินเสียงธรรมะใครแสดงธรรมะก็ตามขอพระธรรมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะต้องนำจิตใจของตนนั้นมุ่งไปสู่พระธรรมของพระสามมาสามพุทธเจ้าไม่ไม่เปลี่ยนเลยนะคือหมายความว่า ตั้งใจว่าจะทําตนให้เป็นประโยชน์ด้วยคําสอนนั้นหรือทําคําสอนนั้นให้เป็นประโยชน์และคิดต่อไปด้วยว่าการฟังธรรมเนี่ยคือประโยชน์สูงสุดของชีวิตของเราเนี่ยท่านอธิบายอย่างนี้นะทำตนให้เป็นประโยชน์ด้วยธรรมนั้นหรือทำธรรมนั้นให้เป็นประโยชน์ว่านี้ประโยชน์ของเราไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยนะ ตั้งไว้ในใจอย่างนี้ไม่ให้จิตส่งไปภายนอกแม้แต่น้อยรวบรวมไว้ด้วยประมวลมาทั้งหมดแล้วเงี่ยหูฟังคือตั้งปัญญาไว้ที่ที่หูเนี่ยนะที่ที่ประสาทหูด้วยฟังทำโดยความเคารพนันนี้นะเป็นเป็นข้อปฏิบัติข้อที่สองข้อที่สามเราจากไม่ละกายคตาสติ ที่ประกอบด้วยกุศลความสำราญหมายความว่ายังไงหมายความถึงกายขตาสติที่ประกอบด้วยสุขจนถึงปฐมฌานคือการพิจารณาอาสุภกรรมฐานเกษาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจอย่างนี้นะตะโจเกษาโลมานะขาทันตาไปเรื่อยๆจนกระทั่งให้เกิดปฐมฌานเห็นความไม่งามของร่างกาย และในอาณาปานาสติกรรมฐานรวมทั้งอาณาปานาสติด้วยเพราะว่าอาณาสตินี้ก็เกี่ยวกับกายเหมือนกันลมหายใจปรุงแต่งให้กายเป็นอยู่เพราะฉะนั้นท่านเข้าทำสองกรรมฐานนี้คือกายคตาสติกับอาณาปานาสติไม่ไม่ไม่ไปทำกรรมฐานคือไม่ส่งใจไปที่อื่นเรียกว่าไม่ละกายสักขตาขัสติที่ประกอบด้วยกุศลด้วยความสุข รู้กรกษะเธอพึงศึกษาอย่างนี้แหละนี่พระพุทธเจ้าสอนดูก้กรผู้มีอายุอันนี้พระมากษัตริ์กล่าวกับพระ อ, อ น, นุน พ, พระมีภาคเจ้าทรงโอวาทเราด้วยพระโอวาทนี้สเสด็จลูกจากอาสนะแล้วทรงหลีกไปเราดูกรผู้มีอายุเราเป็นนี่เราเป็นนี่บริโภคก้อนข้าวของราชสะดถึงหนึ่งสัปดาห์คือเจดวันวันที่แดพระหัตถผลจึงปรากฏขึ้น คราวนั้นพระมีพระเจ้าเสด็จหลีกไปจากหนทางเสด็จหลีกจากหนทางตรงคือเดินบนถนนแล้วก็เดินลงมาจากถนนไปยังโคนต้นไม้แห่งหนึ่งเราจึงเอาผ้าสังขติแห่งผ้าที่เก่าปูเป็นสีชั้นถวายแล้วกราบทูลพระมีพระเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระมีพระเจ้าประทับนั่งบนผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานดุกร อ, อาบุโส พระมีภาคเจ้าก็ประทับนั่งบนอาสนะที่จัดถวายขั้นประทับนั่งแล้วพระมีภาคเจ้าได้ตัดกราว่ากัดสปะผ้าสังคติแห่งผ้าที่เก่าของเธอผือนนี้อ่อนนุ่มเราก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระมีภาคเจ้าได้โปรดอนุเคราะห์ทรงรับผ้าสังคติแห่งผ้าที่เก่าของข้าพระองค์เถิดพระพุทธองค์ตัดว่าดูก่อนกัดสปะเราจัดคลองผ้าบางสุกุลขออภยัย พระพุทธองค์ตัดว่าดุกกรจัสมะเธอจักครองผ้าบางสุกุลที่ทําด้วยผ้าป่านซึ่งยังใหม่หรือคือคือผ้าของพู้เดิมเจ้าน่ะเป็นผ้าป่านเป็นผ้าบางสุกุลด้วยแต่ยังใหม่อยู่ก็แมายความว่าห่มไม่สบายนะเราจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักครองผ้าบางสุกุลที่ทําด้วยป่านซึ่งยังใหม่ของพระมิยาภาคเจ้าดังนี้อันนี้เป็นอย่างไรครับอจาีวร จีวรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอาขอให้แก่พระมากรสปะนั้นทาสีชื่อบุญนนะหญิงที่เป็นทาสรับใช้ทิ้งไว้ในป่าช้าผีดิบพระศาสดาเข้าไปสู่ป่าชา้านั้นอันมีตัวสัตว์กระจายอยู่ประมาณทนานหนึ่งกำจัดตัวสัตว์เหล่านั้นแล้วตั้งอยู่ในมหาอริยวง คือสันโดษพอใจในจีวรตามมีตามได้นะด้วยความสันโดษมากน้อยแล้วก็ชักผ้าบางสกุลมาถือเอาถือเอาผ้าบางสกุลนั้นมาพระเจ้าทําในวันที่เราถือเอาจีวร น, นี้มหาปัจจพีในหมื่นจักรวาลส่งเสียงสั่นสะเทือนแผ่นดินในหมื่นจักรวาลหนะมื่นโลกอะสั่นสะเทือนอากาศนั้นส่งเสียงตะตะตะตะ เทวดาในจั ก, กรวาลได้ให้สาธุกการว่าภิกษุผู้ถือเอลจีวร น, นี้ควรเป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดตามธรรมชาตินั่งอาสนะเดียวเป็นวัดตามธรรมชาติเที่ยวไปตามลำดับตรอกเป็นวัดตามธรรมชาติคื อ, อ, อใครที่จะถือออลจีวร น, นี้จะต้องประพืนทุดงถือผ้าบางสกุลแล้วก็ต้องชันมือเดียวแล้วก็ต้องเที่ยว บินทบาดไปตามลำดับนะไม่ไม่รับกิจนิมนต์เนี่ยท่านจักอาจทำให้สมควรแก่จีวร น, นี้ได้นะคือเทวดาทั้งหลายบอกว่าสารเสรินไว้ว่าใครก็ตามที่ได้ผ้าผืนนี้มาแล้วก็ควรจะต้องประพฤติถุดดงอย่างนี้แม้พะระเถระคือพระหมหากัสปะตนเองทรงไว้ซึ่งกำลังช้างห้าเชือกห้าเชือกคือมีกำลังเหมือนช้างห้าเชือก ท่านจึงไม่ตรึกถึงข้อนั้นท่าจะทําให้สมควรแก่สุคตจีวรคือแมายความว่าพระมหากัจจป่ไม่ได้คิดเลยว่าผ้านี้หนักผ้านี้หยาผ้านี้ทําด้วยปา่านแต่ว่าคิดว่าเราจักอย่างการปฏิบัตินั้นให้บริบูรณ์จึงกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักครองเพราะฉะนั้นเมื่อพระเถระครองจีวรนเนี่ย ของพระศาสดาหมหาปัตตพีก็สันสส่นสะเทือนจนถึงน้ำรองแผ่นดินอย่างนี้นะรุกรออาวุโสนี้หมายถึงกล่าวกับพระอ น, น, นุนเราได้มอบผ้าสังฆาติแห่งผ้า